ก็คือว่าพอชีวิตราบรื่นแล้วก็รู้สึกว่าสุขสบายดี mm hmm. ก็นึกว่าเออฉันนี่นะเก่งฉันนีแน่ mm hmm. คนเหล่านี้เนี่ย mm hmm. เวลามีคนชวนไปปฏิบัติธรรมเขาก mm hmm. ็ไม่เห็นว่ามันจะจำเป็นตรงไหนเลย mm hmm. เพราะว่าฉันก็สบายดีอยู่แล้วนะแล้วฉันก็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 ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้นะจะยังสุขสบายเหมือนวันนี้เพราะวันนี้กับพรุ่งนี้มันไม่เหมือนกันแนะม้แต่สีของท้องฟ้านะหรือว่าภูมีอากาศอุณหภูมิก็ไม่เหมือนกันวันนี้เนี่ย ม, ม, มันมีเมฆครึ้มนะพรุ่งนี้ก็จะมีแสงแดดจ้า ที่ของเรานะวันนี้สุขก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะยังสุขเหมือนเดิมนะอะไรอะไรก็แปลเปลี่ยนไปได้ตัวเราอาจจะเหมือนเดิมแต่คนอื่นไม่เหมือนเดิมนะวันนี้เขาเชื่อฟังเรานะเขาทำตามใจของเราวันพรุ่งนี้เขาอาจจ ะ, ะขัดขืนต่อต้านนะหรือว่าปฏิเสธคำสั่งของเราก็ได้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 วันนี้สบายพรุ่งนี้อาจจะเจ็บป่วยวันนี้มีกินมีใช้นะแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะลำบากนะเมื่อตระหนักเช่นนี้เนี่ยมันก็ต้องถามตัวแล้วเออเราทำไงถึงจะเตรียมตัวนะรับมือกับมันไอการสะสมเงินทองเอาไว้นะอันนี้ก็ช่วยนะก็ช่วยได้ดีสะสมเงินทองเอาไว้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 สงบเราฝึกยามศึกเรารบนะอันนี้เป็นความคันสำหรับทหารในแง่หมายความว่ า, าที่ไม่มีศึกสงครามก็ต้องฝึกฝนเอาไว้ก่อนในยาปกติคือเวลาที่เหมาะสำหรการฝึกฝ น, นสาหรับการเตรียมตัวพวกเราไม่ใช่ทหารนะเราไม่เจอศึกสงครามที่เป็นอริราชสัตว์รูก็จริงนะแต่ว่าเราจะต้องเจอสงครามชีวิตนะ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 เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดเพินความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลดเพินความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นถ้าคิดเผื่อตรงนี้ไม่บ้างนะหรือถ้าเราลึกถึงอยู่เสมอนะมันก็จะทำให้เราขนวขาวในการที่จะเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจนะเตรียมตัวเนี่ยนะ อาจจะมานอกจากการาทาบุญทกุศลนอกจากการทำประกันภัยแล้วนะบางคนก็อาจจะนึกถึงการทำบุญทำกุศล น, นะใส่บาตรทุกวันนะหรือว่ามาถวายสังฆทานเข้าพรรษากาถ็ถวายเทียนพรรษานะาวัดนะสงกรานต์นะหรือว่าปีใหม่ก็ทำบุญนะ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 ปลอดทุกได้ร้อเเพราะคนทําดีหรือคนดีก็มีความทุกข์ของเขานะอาจจะไม่ได้ทุกเพราะเมาไม่ได้ทุกเพราะว่าไปาเจ้าชู้นะแต่ทุกเพราะว่าทําดีแล้วไม่มีคนเห็นทําดีแต่ว่าเจ้านายเขานะไม่ยอมรับนะหรือทําดีแต่มีคนแต่ถูกคนดินทานะ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 พอ อ, อเป็นผู้จัด ก, การก็ยังทุกขนะ์เพราะว่าอยากเป็นผู้จัด ก, การในบริษัทที่ดังกว่าเด่นกว่าอยากมีรถประจําตําแหน่งอยากมีรถใหญ่กว่าอยากมีเงินเดือนมากกว่าทุกข์ใจนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอะไรต่ออะไรจะมีปัญหาหรือเปล่าแม่ชีวิตปกติก็ยังทุกข์ใจในทางตรงข้าแม่ชีวิตไม่ปกติแต ใ, ใจสามารถจะสุขได้นะ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 กำลังเช้านั้นมีประชุมสำคัญพอถึงเวลาประชุมลูกค้านะก็มามารอตัวเองเนี่ยจะต้องไปพรีเซนต์นะเป็นยุทธศาสรบริษัทโฆษณาจะต้องไปพรีเซนต์นะผลงานนะแผนการรณรงค์โฆษณาปรากว่าลืมเอาเอกสารสำคัญมาก็เลยการประชุมก็เลยล้มเหลวเจ้านายก็เลยต่อว่าเขาก็เลยหัวเสีย บ่ายวันนั้นเนี่ยก็เลยไม่เป็นอันทํางานเลยนะหงุดหงิดตลอดเพื่อนนี่มาก็เส้าเย่อแย่ก็ด่าเพื่อนก็ทะเลาะกันก็เป็นว่าวันนั้นเนี่ยทํางานไม่ได้เลยเลิกงานก็หัวเสียนะขับรถปรากฏว่าเกิดเฉียวกันขึ้นมาก็เลยต้องรอประกันนะรอประกันก็เสียเวลาไปเป็นชั่วโมงนะรถก็ ตัวเองก็แย่ตัวของคนถึ่กนะ็เสียหายไปเยอะนะกว่าจะกลับถึงบ้านก็ค่ำพอถึงบ้านเห็นหน้าภรรยานะก็วยวายใส่ภรรยาก็เลยทะเลาะกัอนอีกรอบหนึ่งนะลูกก็ทนไม่ไหวก็รีบนะกลับเข้าห้องนกร้องไห้เป็นว่าทั้งทั้งวันนะคืนนั้นเนี่ยไม่มีใครนอนหลับอย่างมีความสุขเลย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 ก็กลายเป็นวันดีขึ้นมานะให้วันดีกับวันวันร้ายนี่มันต่างกันตรงไหนนะมันไม่ได้ต่างกันที่ว่าลูกทำก้านน้ำตกหรือไม่นะแต่อยู่ที่ว่าพ่อเนี่ยนะรับมืออย่างไรนะเมื่อลูกทำก้านน้ำตกนะถ้าลูกไม่ถ้าพ่อไม่มีสตินะวันนั้นก็คือวันซวยทั้งวันอย่างที่เล่าแต่ถ้าวันนั้นเนี่ย ช่วงนั้นเนี่ยขณะนั้นเนี่ยพ่อมีสติวันนั้นก็กลายเป็นวันดีนะนี่เราลองพิจารณาดูนะว่าวันวันสวยกับวันดีเนี่ยนะมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ว่าเรารับมือกับมันอย่างไรถ้าเรารับเรามือไม่ถูกนะคือไม่มีสติเหตุการณ์เล็กๆก็จะเป็นชนวนพาไปสู่เหตุการณ์ที่วุ่นวายหรือว่าเหตุการณ์ที่แย่ๆตามมาอีกมากมาย แค่แค่แลูกทํแก้น้ําตกเนี่ยนะโอ้มันพาทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายแต่ก็ยังดีนะที่ว่าแค่รถเฉี่ยวชนไม่ถึงกับรถพิกควนะ่ำเนาะหรือว่ารถชนกันนะอันนั้อายะถึงตายได้หรือพิกการนะแต่ถึงแม่ลูกจะทําก้น้ําตกนะแต่ถ้าพ่อมีสตินะมันก็ทําให้วันนั้นกลายเป็นวันดีได้